การงานคือเครื่องชีวิตของเราเรทอดทิ้ไม่ประกอบการกระทาชีวิตเราได้มาเหมือนขันหมดมีกายมีใจมีธาตุสีขันธน์แต่รูปร่างต่างกันแต่ลักษณะธาตุขันธ์ใจอันเดียวกัน มีสภาพเล้นเดียวกันตามมันลักษณะแต่จะต่างกันอยู่ที่มีการกระทำให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราตันนี้ก็สำคัญวันไหนก็สำคัญแต่การใช้ชีวิตประจำวันจะให้เวลาล่วงไปเลยเปล่าโดยไม่ทำอะไรมันขึ้นล่วงไปล่วงไปคณพิเศษของเราไม่อยู่หรือไม่ ที่ทมันเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนให้เกิดประโยชน์เก่โลกให้เกิดประโยชน์ชนต่อส่วนรวมแต่ญาติแต่ทุกสมาชิงเราก็ทําได้พร้อมอยู่แล้ววัดพัฒนาตัวเองจึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแต่เวื่เราเกิดจูดต่างกันในสิ่งเวดล้อมต่างกันบางที สิ่งเวดล่อมที่ทำให้เราประมาทอ่อนได้ก็อาจจะมีได้สิ่งเวดล่อมที่ทำให้เราเข้มแข็งก็มีได้เป็นคนยากคนจนเกิดมาอยู่กับท้องทุง่งป่าไม้หมดวากบางคนก็เกิดมาอยู่ในสิ่งเวดล่อมที่ดีไม่ลำบากมีต่างกันอาจจะได้นิสัยต่างกันไปตามสิ่งเวดล่อมได้ แต่ถ้าเรามามองชีวิตจริงๆนั้นอย่าให้สิ่งเวดล้อมเหล่านั้นเป็นใหญ่เป็นโตให้เรานี่แหละลิฉันชีวิตของเราพยายามศึกษาเราก็ทำได้มีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีกายมีใจทำความดีและความชั่วได้อยู่จะให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยคุ้มล้ายคุ้มดี ไม่จะเด็กกะอ่อนตัวเล็กๆเขาก็พัฒนาเด็กน้อยเวลามันตื่นขึ้นมานอนอิ่มแล้วก็เต่ขาเต่แขนของวันเล่นอยู่ยกม่ายกมือจนพิวดพัฒนาไปจนแข็งแรงแต่เด็กบางคนไม่ยอมพัฒนามล้วอ่อนแอปัญญาอ่อน เราเนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ถูกต้องก็อ่อนเนยทุกอย่างก็ถูกโลกครอบงาได้ไม่คุ้มค่าเราก็ต้องงองชีวิตเราเนี่ยอะไรควรจะเป็นยังไงเราก็เคยศึกษามาแล้วอะไรที่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราที่เราได้คิดมานี่ แล้วก็ได้สัมผัสมาแล้วมีความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความสะดวกสบายเป็นยังไงความยากลำบากเป็นไงหลงไหมสหมุกไหมทุกข์ไหมกับสิ่งต่างๆการสุขการทุกข์มันผิวเผินตื้นๆแต่สิ่งที่ลึกเข้าไปอีกยังมีเหนือสุขเนือทุกข์ยังมีเหนื อ, อยากเหนือง่ายยังมี เนื้อผิดเนื้อถูกยังมีอยาให้มันตื้นชีวิตเราให้มันลึกอย่าให้เลยถูกง่ายมันลึกซึ่งถ้าเราเบาบางผิวเผลนตื้นตื้นอะไรก็สัมผัสดได้เราะบางต้นต้นไม้ในดงเปลือกบางบางต้นไม้ในป่าโคกเปลือกด้าหนาเจ็ดจับจับ ตอนไม่ป่าตรงมันอ่อนเดร ย, ยู่ในความอ่อนเดรจะถูกไฟลวกนิดหน่อยก็าตายไปแล้วไม่รัดจริงไม่เกิดหนออปพังไปเลยเพราะมันอยู่สะดวกสบายตอนอื่นโอบอุ้มไว้ลมพัดมาก็ไม่ถูกเวลาไปไม่มาก็าตายหมดตายแล้วก็เกิดหนอไม่เป็น เกิดป่าย่้าคาป่าพงขึ้นมาแทนตอนไม้ในโคกดูเปลือกหนาๆนะจ็ดก็มีต้นไม้ในป่าตรงไม่มีจ็ดมีแต่เปลือกอห่อไว้ก็ต่างกันกับสิ่งแวลดล้อมด้วยชีวิตเราก็เหมือนกันอ่อนแรเ ก, กินไปสะดวกกันไปมักง่ายเกินไปไม่มีอะไรที่ทำ ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้เช่นมันหลงว่าหลงรวยไปมันทุกข์ก็ทุกข์รวยไปตอนที่จะเข้มแข็งบ้างถูกสัมผัสทําให้เข้มแข็งถูกสัมผัสทําให้อ่อนแ ไ, ไม่ได้สิ่งสัมบัติก็ต้องมีอยู่ในตามนหูจะบูกได้ยินกายใจในโอกาสที่พัฒนาชีวิตของเราตลอดเวลาสิ่งที่ดึกๆึกมันมีอยู่ คุณค่าของชีวิตเรามีอยู่อย่าแปลอสุขอทุกข์เป็นสิ่งขวงข่านเกินไปเหนือจสุกเหนือยทุกข์ยังมีอยู่เหนือยากเหนื่อย่ายังมีอยู่เหนือเจ็บเก่ตายยังมีอยู่เราคอยติดสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดสุขทุกข์อยู่มันไม่ใช่แล้วไม่คุ้มค่าชีวิตเราเกิดมา เหมือนมะพร้าวลูกมะพร้าวผลมะพร้าวพอศึกษาเรื่องมะพร้าวพอไม่เอ็ดวันเออดไม่เห็นมีอะไรมีเปลือกผุๆแต่พันบีสักหน่อยก็จะเจอกระลาแข็งๆโอ้ยไม่เห็นมีอะไรก็กจจกรรทิ้งไปบางคนก็ปันเปลือกแล้วไปเจอกระลาแข็ง ก็ฟังเข้าไปอีกสักหน่อยจะไปเจอเนื้อมะพร้าวโอ้มันมีอันนี้อยู่แต่บางคนก็ทิ้งแค่นั้นมะพร้าวก็คงมีแค่นี้แต่บางคนเพียรพยาามเข้าไปอีกเจาะเข้าไปในเนื้อที่ในอยู่ในกลาขันแข็งก็ไปเจอน้ําเจอน้ําในมะพร้าวได้โอ้นี่คือมะพร้าว มะพร้าวมีผลตรงนี้แล้วก็ดื่มน้านั้นได้แก่กระหายแคเหิวได้แต่บางคนก็ไปเจอเพียงผิวงนอกแค่เปลือกกะลาแค่เก่น็นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไปเจอแค่เปลือกเพื่ อ, อ, อสุกสุกทุกทุกเอายากเอาง่ายเอาพอใจเอาไม่พอใจเหมือนเปลือ ก, อกมะพร้าว ก็ชวิตประจำวันที่ไรก็ตกอยู่ในสภาพแบบนี้สุขสุขทุกๆุกก็หลงแล้วก็หลงสุขหลงทุกข์ด้วยสุขก็หลงทุกข์ก็หลงด้วยไปเจอยากก็หลงในความยากอหลงในความง่าเหมือนไปเจอเจนอะไรที่ทําให้มันมีมันก็มีในกายเรานี้ในใจเรานี้ก็มีสุขมีทุกข์ มยากมีง่ามีผิดมีถูกผ่าความผิดผ่าความถูกผ่าความมากเปลืกความย่ยเข้าไปมันมีงหมนเนื้อมะพราะ้าวพอถึงเนื้อเราก็ปล่มีพอใจในงานในการของเราเราก็ผ่านไปสามขั้นตอนเจอเปลือกเกลืกลาเจอเนื้อมะพราะ้าวปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน ไปมีศินมีสมาธิมีปัญญาต่อห น, นั้นยังไม่พอไปมีแค่สินสมาธิปัญญาที่เป็นเกริมรอบลูกเอาความรู้หืดรู้หนเป็นญาณเป็นปัญญาอย่างวิปัจโนเนี่ยมีนะปัญญาความสงบก็มีลางดีไปหลงติดแหลงความรู้ติดแหลงความสุขติดแหลงความสงบ อาจจะไม่กินเข้าจินน้ำเลยปิติปจดทิในเหมือนกันในพระโยคาวจรผู้ความเ พ, พ็นพุทธทำความเพียรสงบนิ่งแมันก็มีเข้าไปอีกมันเหนือมันดีถึงน้ำถ้าพูดเราคือมบางผลนิพพานไปถึงตรงนั้นแล้วก็เหนือกันทุกอย่างเหนือทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเรงทุกเหงือสูงเหงืทุกเข้าไปการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันลองอะไรให้สลุตตหลวงสักหน่อยจะไปจนเจอกำแพงเจอหน้าผาหน้าผานะ่ะมันจะเรียบลงได้เหมือนฝั่งน้ํามันจะเรียบลงได้มันมีโอกาส ตความยากตามความทุกข์ก็เห็นความทุกข์นั่นแหละถูกต้องแล้วความทุกข์ที่มันเกิดเกิดใจมันไม่เหมือนวัตถุสิ่งของสามารถลาบลงได้เหมือนกับเครื่องมือสติสามปัญญะเหมือนเครื่องมือเคยพูดอยู่เสมอว่าเหมือนใบมีดของรถแท็กเตอร์อใบมีดผ่านไป ตรงไหนมัน ก, ก็เลียบทอนนั่นวิ่งตามเดินตามหลังใบมีดมัน ก, ก็เลียบไปเลยไม่เคยทุกข์วเทือนสติก็เหมือนใบมีดนั่นแหละเป็นเครื่องนําไม่เคยความเลียบขึ้นมารู้แล้วเห็นแล้วสุข ก, ก็รู้แล้วทุกข์ก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจรู้แล้วทั้งหมด ถ้ารู้แล้วทั้งหมดอแล้วก็เรียบลงไม่เป็นเห็นไม่เป็นแล้วก็ทำงานแบบนี้วิชากรรมาฐานทำแบบนี้กันไม่ได้เงอไหลข ย, ย้อยไม่ได้กรรมากัดฟังตามความเห็นมีสติสชำชยะเป็นการงานของเราะโยคาวจรพวกเราก็ต่างประสบชีวิตมามากแล้ว แต่เมื่อมาศึกษาธรรมะเป็นงานอีกหนึ่งงานที่เป็นงานลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องใจที่จะได้ผลจากการจากใจได้ผลจากการกระทำมันคืออะไรเราก็มีแบบนี้มีสูตรแบบนี้ท่าพเจ้าตัวมยเป็นเชลฟ า, าชายก็ศึกษาเรื่องนี้จนพบเห็นเรื่องนี้เข้าไปประกาศจนมาถึงพวกเรา ก็ไม่ควรจะทอดทิ้งชีวิตของเรามีความสุขทุกวันไม่ใช่ไม่มีงานไม่การก็ดอนเล่นไม่ใช่ภายในยังไม่อยู่ยังมีความหลงยังมีปัญหาภายในอยู่มีความหลงมีความสุขมีความทุกข์มีความโกรธโลภหลงวันนี้เป็นงานของพวกเราจึงพากันมาศึกษามล้วก็มีเงื่อนมีไข่ ไม่กายในใจนี้มีอะไรมันชิดมันจริงอย่างไรมันจะบอกว่าแต่มีสติเป็นสูตรที่ย่อยที่แยกลื้อถอนเห็นกายเข้าไปเถอะเห็นเวทนาเข้าไปเห็นจิตเข้าไปเห็นธรรมเข้าไปเห็นรูปเห็นนามเข้าไปมาเมื่อเลื่อนฐานะไปเหมือนชั้นไปเป็นหมวดเป็นหมไป ก็ลู้นี่ก็ไปรู้นั่นไปมันมีหมู่ม่หมวดหมวดบาปอากุศลหมวดกุศลหมวดบุญหมวดศีลหมวดสมาธิหมวดปัญญาเป็นถทดเป็นแดนไปข้ามอันนั่นผ่านตัวนี้ไปมันไม่ใช่ทำไม่มีอะไรพบเห็นมีสติมันก็มีสติ สติมันมีอะไรสติก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติขณะที่เราสร้างสติมันก็มีอันไม่ใช่สติอยู่เราก็เปลี่ยนนั้นไม่ใช่สติให้เป็นสติเรื่อยไปรู้สึกตัวเรื่อยไปเนี่งานของเราถ้ายังมีหลงก็ยังมีงานอยู่ถ้ายังมีความทุกข์ก็ยังมีงานอยู่อย่าปล่อยเชื่องไว้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 ยาไปจนมั น, นแสดงเราเจ้าฉเฉลยมันมีโจ์เราเป็นผู้ฉเฉลยแก่ต่างให้มันล่วงพ้นไปความเท็จมันก็ต้องเป็นความเท็จอยู่เสมอไปความจริงก็เป็นความจริงอยู่เสมอไปสนุกดีเห็นความเท็จเป็นความไม่เท็จเห็นความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์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 ถ้าคนตาบอดก็ไปดูช่างเอามือคำเอาเขาก็เห็นช่างต่างๆงกันไปเห็นสุกก็คือสุกคนตาบอดก็ไม่ดูเข้าไปอีกในสุกมันก็มีไม่สุกถ้าเราเห็นมาแล้วเราก็เห็นอยู่เขาสุกเขาก็เห็นเขาเขาบอกว่าอันนี้คือสุก อันนี้คือทุก์หมนคนตาบอดคมช่างอันนี้ผิดอันนี้ถูกบางคนได้ความผิดไปบางคนได้ความถูกไปแต่คนตาดีมีอยู่แต่เห็นช่างเป็นยังไงการเห็นช่างเป็นช่างเห็นความสุขเป็นความสุขเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นความสุขเป็นความไม่สุขเป็นความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ตาดีตาภายใน มันดีเห็นรูเปเห็นนามตามความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นตามความเป็นจริงมี เ, เยอะแยะเหมือนแผ่นดินนี้มีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ำมีสัจจะราจริงเหมือนกับรูปลูกของเราคือกายเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ตั้งอยู่ในนี้มีตามีหูจมูกดิน มีใจด้วยแล้วก็มีต่อไปเีกมีรูปมีรสกินเสียงเข้าไปเอกต่อเข้าไปเีกมีรสชาตการสัมผัสในรูปในรสในกินในเสียงต่อเข้าไปเอกป เ, อ เ, ป เ, อเป็นอาการต่างๆมีอาการเข้าไปแล้วไม่พอมีอะไรเข้าไปเอีกอุปทานยึดไว้เข้าไปเอกในอาการที่เกิดขึ้นเข้าไปเีก มันไม่อยู่แค่สองพันมันต่อเข้าไปเกิดเลยตันหารลาคาขึ้นมาเข้าไปอีกแล้วก็เป็นภพเป็นชาติในภพนั้นัน้นเข้าไปอีกเกิดดับเกิดดับเกิดเจ็บชจ็บตายเข้าไปอีกเกิดรอกเกิดหลอนตัวลรอยู่เสมอเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดับเกิดดับยดอยู่เช่นนั้นยังไม่สิ้นพบสิ้นชาติ ตั้งแต่เกิดจากนี้ก็เป็นทุกข์แล้วเสือใจร้องไห้แล้วถ้าเราเห็นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นอาการธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้แต่เราก็มาอยู่ตรงนี้เห็นความเป็นจริงของเขาร่างกายนี้มี ผมกวนล็บปันนังเมื่อกระดูกน้ำหมอใจตับตปางกอดใช้ใหญ่ใช้น้อยหันใหม่หันกเก่าอย่างเรานี้ก็มีโรคของเขามีอะไรก็มีโรคในร่างกายนี่ตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคตับไตใส้ปวงเกิดโรคมันไม่กีหลังยั่งยืนตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เผ่นดินนี้มีอะไรหลายอย่างรู้หมด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 มันจบซะเกิดขึ้นมาเพื่อไม่เกิดมันหลงมันเกิดหลงเพื่อไม่หลงหยุดเกิดมันเกิดทุกข์เพื่อไม่ทุกข์พ้นจากการเกิดเป็นทุกข์อะไรที่มันเกิดจากกองลูกกองนามนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะจํานวนทำตามมาทุกอย่างเห็นแจ้งตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่กันทุกคน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 มีการขับเคลื่อนไปได้ใช่ไปเพื่อข้าพมพ้นในกายทำความดีให้ถึงความดีแล้วความชั่วให้พ้นจากชั่วมันพ้องแพรไม่ใช่ล่องรออยู่อยู่กับมันงเขาที่มันใช่มาได้แล้วก็เป็นประโยชน์แล้ ว, ลวเราใช้ข้ามทุกเวลา ร่างกายเหมือนเพื่องแพรเพื่อข้ามฝั่งเหมือนสะพานรถป่าสุโกโตเพื่อให้ข้ามจากฝั่งอญญานญวาสีไปฝั่งคาห ม, มาวาสีไปมาวันหนึ่งเราก็ต้องข้ามตรงนี้อญญานญวาสีคือเขตป่าคา ม, มาวาสีคือเขตบ้านที่เกี่ยวกับบ้านก็มีที่ คำว่าสีตาเมคือหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านแต่บ้านมาเกี่ยวข้องกับที่นี้ก็เพียงถึงเที่ที่นั้นอาเนยวาสีก็คือเขตป่าที่มีมาใช้ฝึกขนตนเองข้ามไปข้ามมาถ้ามันคิดแบบโล ก, โลก โรคลถขินเสียงเต่าหูจะมุกดิน้นกายใจหลงในรูปในรสในกลิ่นเสียงเหมือนอยู่ในบ้านเหมือนโลกทั่วไปเอาข้ามมาแต่มันอยู่ในกายในใจเราเนี่ยข้ามให้เป็นอันหลงเปลี่ยนความหลงกป็นความรู้ข้ามได้แล้วอันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ข้ามได้แล้วแต่ยังไม่ขึ้นหฝังนะ เพียแต่เห็นมันทุกข์ยังอยู่ในเรืออยู่ก็จะขึ้นฝังก็ต้องไม่เป็นผู้ทุกข์ขึ้นฝั่งได้ง่ายๆถ้ายังเป็นผู้สุขก็ยังขึ้นฝั่งไม่ได้ถ้างเป็นผู้ทุกข์ก็ยังขึ้นฝั่งไม่ได้เป็นผู้ลูกก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ให้เห็นมันถ้าเห็นมันก็ขึ้นง่ายๆเห็นมันแก่ไม่ใช่เป็นผู้แก่ เห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่ใช่เป็นผู้ตายนั่นหว่าขึ้นฝั่งใช้พ่วงแพรสําเร็จแล้วต่พระเจ้าไม่เห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุสามถึงหกปีขึ้นฝั่งได้แล้วแต่ยังใช้พ่วงแพรใช้เพื่อการนี้โดยตรงแล้วก็แพรนี้ใช้ใจที่ใจนี้ไว้บอกคนอื่น ขับเคลืนไปบอกคนอื่นต่นทั้งหลายก็เหมือนเราตถาคตเราวตถาคตก็เหมือนท่านทั้งหลายเหมือนกับพุ่งเพยอันเดียวกันแล้วก็ต่นทั้งหลายก็เป็นเหมือนเราตถาคตนี้อันเดียวกันจิงที่ไม่เหมือนกันคือขึ้นฟังได้จิงที่คนไหนทุกข์กูเจ้าก็ไปบอกขึ้นฟังหลายคน เพราะไม่ใช่ไปดีกว่าเลิศกว่าเราเคยทุกข์มันเปลี่ยนทุกข์เห็นทุกข์ดงังพระญาสะวคุณหลวบสถ์ทุกหนอทุกหนอเจ้าที่นี่ไม่มีทุกข์มาที่นี้ก็สอนยาสาวคุลบสถ์จนขึ้นฝังได้ บวชหลังปัญจวัคคีย์หน่อยดึงในช่วงนี่แหละจิงหาเนี่ยมีกันไม่ใช่วิเศษอะไรเป็นตัวอย่างโจะแก่ก็แก่เหมือนกันรุ่นลาวเขาเดียวอายุเท่ากันแก่เท่ากันคือไปหากขจ ป, ปะแก่เหมือนกันจะเรียกว่าเพื่อนต่หาย หลายชีวิตที่เป็นพระอรหันตุลลาวเขาเดียวกันคิดไหลกันได้เอาอย่างกันบางทีก็เป็นเพื่อนปรับสุกปรับทุกข์ด้วยกันจางลาหุนกับพระสวัสดตุลลาวเขาเดียวกันเนรลาหุนเนรสวัสดเวลาพระพุทเจ้าขนาบลาหุน่น หานหนก็เสียใจน้อยใจด่าเจงกนอื่นมาค่อยด่าเท่าไหร่นอนก็ด่าเจงถ้าหลานโหงอเง่ไม่หมายฉันข้าวสวัสดิ์ก็ไปปบปง้งน้าพระพุทธเจ้าขนาบดูด่าเสมอบางทีก็โกรธได้สวัส์ก็ต้องไปแช่เพื่อนอย่างนั้นเพื่อนอย่างนี้ ลาหนนก็ดีลายที่สุดบางทีพระเจ้าก็บอกสวัสดปเพื่อนราหนนมาจินข้าวฉันข้าวมาหาหน่อยก็ไปเป็นเพื่อนกันอันนี้เป็นกันยา น, นมิตรกันช่วยกันได้พวกเราก็อยู่ดีก็ ค, ค่ายกันเป็นเพื่อนกันรู้เหล่าเขาเดียวกันก็มีเก๋ๆเท่าเท่าก็มีสหายธรรมกันายานมิตร มิีรเพื่อนดีสหายดีเป็นส่วนประกอบเขาไปแต่อยู่นี่เราก็ไม่ใช่อยู่ยคนเดียวมีมิตรมีสหายมีเพื่อนต้นใจแ้ไม่มีใครอยู่ก็เราก็อยู่มีเพื่อนอยู่ไม่เปลี่ยวเดียวดายนี่มีงานอย่างนี้งานของเราไม่อยู่ตลอดเวลา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 นือการเกิดเจเยปตายเป็นมรคนิพพานมรคนิพพานเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่บ้านใช่เมืองจะต้องไปให้ถึงบ้านเป็นเมืองดับดินเวีนบนไปฤทธิปฏิหารไปฤทธิคือมันหลงให้ความหลงไปความรู้ไปเห็นมันหลงเนี่ยฤทธิ น, น้อยนี่ไปฤทธอิอ น, นี้ถึงมาถึงขนไม่ใช่ดับดินเวีนบนอยู่โยงคงกรพัน์ ฤทธิ์ปฏิหารอันๆเห็นไปอย่างนี้ทุกคนก็มีอย่างนี้ให้ชํานาญเรื่องนี้เป็นงานที่ชํานาญเป็นงานที่มีศิลปะเรื่องนี้กันอย่าไปงูอย่าไปแสดงกับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นดีแล้วเห็นทุกเห็นหลงเนี่ยมันเป็นของจริงอันประเสริฐพระเจ้าหรือว่าเห็นอันประเสริฐ มันต่อที่เราใช่เห็นประเสริฐเห็นผิดเดินไปถูกที่ถูกทางเห็นประเสริฐเอาชีวิตรอดได้พ้นจาความหลงนั่นประเสริฐแล้วเราพ้นจาความหลงอ่ะพ้นจากความทุกข์นั่นประเสริฐแล้วพ้นจาความทุกข์อ่ะพ้นจาความโกรธนั่นแหละประเสริฐแล้วถ้าโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกข์ไม่ใช่ประเสริฐเลยจะมีอะไรมาอวด่าอะไก็ไม่ใช่มนมุษย์อันเป็นสัตว์ประเสริฐ เราก็มีอย่างนี้ที่เรามามีชีวิตนี่เราได้คิดมาเพื่อการนี่โดยตรงไม่ใช่ประวัติว่าอ้างรูปพันณฉันฐานฐานะอาฐานะอะไรฐานะของเราคือนี่อาฐานะและฐานะอาฐานะอัฐานะคือมันหลงเป็นหลงฐานะมันทุกข์เป็นทุกข์อาถาอาถาคือจนจนตะคงหลงจนตะคุ่ทุกข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 เมือเราอยู่ที่นี่แนานะภายนอกของคู่ของคนมาช่วยเราสร้างศาลาให้สร้างกระเสรไฟฟ้าให้สร้างน้ําสร้างอาหารให้เครื่องนุงหม่มผู้มีฐานะผู้ไม่มีฐ า, านะก็ช่วยกับอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีส่วนปองจรเป็นส่วนประกอบจนภายในของเราต้องมีฐานะเรื่องนี้การอย่าจนไม่ควรจนเด็ดขาด ฐานะเรื่องชีวิตเนี่ยถ้าสุขเป็นสุขไม่มีชีวิตแล้วทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีชีวิตแล้วเราไรชีวิตเพื่อเพื่อไม่มีชีวิตชีวิตเรามาเกิดเพื่อเกิดแจ็เพื่อแจ็เจ็บเพื่อเจ็บตายเพื่อตายไม่ใช่ชีวิตเราตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆต้องพ้นจากเรื่องนี้ไปที่เราเราจะได้ชีวิตอยู่ก็ทุกวันทุกนาที มันเกิดให้เราเห็นต่างๆเราก็รู้มันทุกครัง้งเปลี่ยนได้ทุกครัง้งไม่เป็นไปกับมันทุกครัง้งนี่ระ ว, ว่าชีวิตที่เราได้มาเหมือนกันจริงเรานี้มีชิร้อยเปอร์เซนติอย่างอื่นอาจจะไม่ร่อยเปอร์เซนตเทียบเท่ากันไม่ได้แต่สิทธิอันนี้เสมอสามันลักษณะอันเดียวกันจึงไม่ควรพลาด ถ้าโอกาสที่เราได้มีชีวิตอยู่มีกายมีใจมีรูปมีนามไม่ประกอบเจียงนี้ให้เกิดขึ้นไม่มีค่าเลยเพราะแม่เกิดเรามาก็ไม่มีประโยชน์ควมทุกข์ความยากการเกิดของเราเนี่ยเจียงเป็นเจียงตายมาสองคนสองคนมีความเฉียงตายคือแม่กับเราอยู่ในขันสองคนเนี่ยสองชีวิตเนี่ยเอาชีวิตเสียงเอา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่บรรได้มามันมีอะไรประกอบอีพ่อมีแม่มีความรักมีความเมตตาจากได้ลูกมีส่วนประกอบจนเลี้ยงลูกใหญ่โตแม่ก็มีนมให้กินมีมดลูกให้อยู่เราะคนเราไม่มีอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถึงรอยปีหมดไปแล้วบางคนผู้หญิงไม่มีมดลูกนะไม่มีนมให้ลูกนะ มันจะเท่าไหร่ช่วอายุของคนทุกวันนี้ก็ไม่ถึงเกิดร้อยปีก็หมดไปแล้วนี่มันก็มีอย่างนี้เพื่อการนี่โดยตรงถ้าเรามองดูถึงสิ่งแวดล้อมที่เราได้คิดมามันเป็นเรื่องใหญ่มากเราจะปล่อยทิ้งไอ้สุขไอทุกข์อยู่ไม่ได้เกิดมาเพื่อการนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของเรา 100% ยเปเ เรามาถึงจุดหมายปลายทางเปลี่ยนไปได้จนไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คุ้มค่าเกิดมาคุ้มค่าแล้วต้องเป็นหนึ่งในเรื่องนี้กันท่านอื่นเป็นรองอย่างพระจิทตถะเกิดขึ้นมาที้นิ้วขึ้นเลยเราจะเป็นหนึ่งในโลกก็คือเรื่องนี้แต่เป็นชาติสุดท้ายในโลกโดยทีเดียวอจะเป็นหนึ่งศึกษาเรื่องนี้กัน ร่วมหลงมาข้างสุดท้ายเริ่มไปจากในความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายร่วมโกรธเปั้วสุดท้ายชาติพบเป็นเครื่องสุดท้า ย, าายไม่มีชาติอีกไม่มีพบอื่นกรมมาพบรูปพบกรมาสวะภวาสวะวิชขาสวะสิ้นไปไม่มีปัามาเมตเจคิวิตล้วนๆอย่างนวมันเริ่มต้นจากตรงนี้ข้าวแรกจากตรงนี้คือมีสติเห็นไปเรื่อยๆไป แล้วก็นี้ให้เราเห็นมีงานที่เราทำอยู่อย่าบ้างว่าเทวาเจ่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเพศว่าวอยว่าฤทิสําคัญว่าตัวเลิศกว่เขาสําคัญว่าเราเร็วกว่าเขาไม่ต้องเอามาวัดในด้านนั้นเอาวัดในกายในใจเหล่านี้อนั้นก็อันเดียวกันอยู่เรามีสติคนก็มีสติได้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 ถ้าปฏิบัติดีมีศีลพระท่านมีศีลกว่าเราไม่ใช่อันเดียวกันเราก็เคารพตามสมมุติปัญญาจะระโทษทิ้งสมมตุติพระก็นั่งอยู่ที่นี่ไม่ชีก็นั่งอยู่ที่โ น, น้นอย่าโยมก็นั่งอยู่ที่โ น, น้นมันก็ต้องมีระเบียบแบบนี้เพื่อฝึกตนสอนตนหลอ่อหลอมเป็นเบ้าเป็นแบบเพื่อเข้าแบบเข้าพิมพ์ไปตามฐานะ นี่เป็นสมมตรปริปัญญาตส่วนปรมาชชจิตจะอันเดียวกันลองหลงไม่หลงก็เป็นปรมาจิตความหลงเป็นสมมติไม่หลงเป็นปรมัติตมีสิทธิเท่าเทียมกาันมันทุกความทุกเป็นสมมติความไม่ทุกเป็นปรมาติตมีสิทธิเหมือนกันความโกรธอะไรต่างๆเหมือนกันเป็นสมมติเป็นปรมาจิตของเทศของกิง อย่าไปหลงของเก่าอย่าไปเมาของใหม่ให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงนี่คือการงานของเราชีวิตของเราได้มาเพื่อการงานอันนี้งานอันนี้โดยตรงถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธเก็บเป็นเก็บเก่เป็นเก่ตายเป็นตายเราเสียใจทุกข์ใจเพราะอาการเหล่านั้นไม่ใช่ชีวิต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 เนี่ยก็คืออันนี้ชีวิตของเราที่เราได้มาเนี่ยให้วันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อกานนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกัน